มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาสัตมวัควิญญาทีนางนานัฐภาวะปัญหาที่ส7เจถามว่าปัญญากับวิญญาณต่างการมรือหรือว่าอย่างเดียวกันสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสถามว่า พันเตนาคะเสนะข้าแต่พระนาคะเสนผู้เจริญด้วยปรีชาอเมธรรมมาอันว่าธรรมทั้งหลายนี้คือปัญญาก็ดีคือวิญญาณก็ดีคือชีโวก็ดีอันมีในภูตกายนี้นานัฐามีอัดต่างๆมีพยัญชนะต่างๆหรือว่ามีอัดอย่างเดียวแต่มีพยัญชนะนั้นต่างกันประการใด พระนาคเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูกะระบพิษพระราชสมภารวิชาณลักนณงวิญญาณมีลักษณะรู้ต่างๆปัญญานั้นมีลักษณะรู้รอบครอบจะได้กำหนดว่าชีวธรรมมีในภูตกายหามิได้พระเจ้ากรุงมิรินปิ่นทวี บ, บวระมหาศาลมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาคเษนผู้เจริญด้วยปรีชาพระผู้เป็นเจ้าว่าปัญญากับวิญญานี้มิได้กำหนดว่าชีวธรรมคือมีชีวิตอยู่ในภูตกายแล้วทำสิ่งไรจะเห็นรูปด้วยจักขุจะฟังเสียงด้วยโสตะจะดมกลิ่นด้วยขานะจะลิ้มเหลี่ยรสด้วยชิวหาจะสัมผัสถูกต้องด้วยกายจะรู้ธรรมด้วยใจเล่า พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าท่านจึงวิสัชนาว่ามหาราชะดูกะระบ่อพิษพระราชสมภารถ้าปัญญาและวิญญาณเป็นชีวธรรมแล้วชีวธรรมนั้นเห็นรูปด้วยจกักขุฟังเสียงด้วยหูรู้กลิ่นด้วยนาสารู้รสอาหารด้วยชิวหารู้ที่จะถูกต้องด้วยกายรู้ธรรมทั้งหลายด้วยน้ําใจฉชนนี้แล้ว ชีวธรรมที่มีชีวิตอยู่นั้นจะเยี่ยมหน้าแงานขึ้นไปโดยนบพดลประเทศเวหาเปิดจักรุถวานคือลืมตาแลไปบนอากาศก็จะเห็นดวงดาวดาดเวหาแล้วก็เอาเถิดที่นี้จะให้เปิดทวานหูแล้วจะแงนขึ้นไปฟังบนอากาศจะได้ยินเสียงเหมือนจกักรุเห็นดาวบนอากาศหรือประการหนึ่ง จะให้เปิดคาณวารชิวหาทวารกายะทวารแล้วจะให้พันหน้าออกไปโดยอากาศจะรู้กลิ่นด้วยนาสาจะรู้ว่ารสด้วยชิวหาจะรู้ว่าถูกต้องกายด้วยกายจะรู้ทาทั้งหลายด้วยใจเหมือนแงนดูฟ้าเห็นดาราทั้งหลายด้วยจักขุนั้นหรือหาไม่ได้นะบพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์จิงตรัสว่า จะได้รู้เหมือนจะขู่แงนขึ้นไปเห็นดาวบนอากาศหาไม่ได้พระหน้าเกษรจึงวิสัชนาแก้ไขว่านี่แหละลักษณะไม่เหมือนกันชะนี้อัตมาจึงว่าปัญญากับวิญญาณนี้จะกำหนดว่าเป็นชีวธรรมอันมีชีวิตในภูตกายนี้ไม่ได้เหตุลักษณะต่างกันมหาบาพิษพึงสำคัญเข้าพระไทยด้วยประการชะนี้ สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีก็สิ้นวิมุตติกังขามีพระราชค์การตรัสว่ากัลโลสิสะทุสะสมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้าวิญญาทีนังนานัถาภาวะปัญหาเป็นคำรบสิบเจ็ดจบเท่านี้